อ ا ลลอฮุลลุ عُدَةَ ت َ ل ِ س َ ا ن ِ ي َ ق َ ه ُ قَوْلِ اللَّهُمَّ أ ن ْ ف َ ع ْ ن َ ا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِرْنَا عِلْمًا رَبَّنَا َ ظ ل َ م ْ ن َ ا أَنفُسَنَا و َ إ ِ ل َ م ت َْ ف ِ ر لَنَا وَتَرْحَمْنَا ل َ ن َ ك ُ ن َ ن َّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آ ت ِ ن ا م ن ل د ن ك ر ح م ة ه ي َ ل َ ن ا مِنْ أ َ م ْ ر ا ل َ ش َ د ً ا ا ل ح วันนี้นะครับน่าจะเป็นเข้าสู่ช่วง1ิวันสุดท้ายอของเดือนรอจับไม่ใช่เดือนรอมฎอนวันที่ยี่รอจับแล้วนะครับ mm hmm. เหลืออีกไม่กี่วัน mm hmm. ก็จะเข้าสู่เดือนชาบานวันเวลาผ่านไปเร็วพอสมควรนะครับฉอเลาะเรากำลังโหยหาการที่จะได้เจอกับเดือนรอมฎอนในปีนี้ด้วย ความหวังว่าระมดอนของเราในปีนี้จะเป็นละมดอนที่ปกตินะครับได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะทำกิจกรรมต่างๆไม่เหมือนกับเมื่อเมื่อปีที่แล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับช่วยกันขอละอาเป็นความหวังหนึ่งในจํานวนความหวังอย่างยิ่งของเราในปีนี้นะครับก็คือการได้มีชีวิตอยู่ในเดือนระมดอนด้วยสภาวะปกติ อินชาอัลลอฮ์ alhamdulillah, อวเละครับอิบัตอัลรา์มาวันนี้เป็นตอนที่ห้าแล้วคงจะไม่จบภายในตอนเดียวอาจจะเหลืออีกตอนหนึ่งอ่าสัปดาห์หน้าอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะห์ตะอลละนะครับวันนี้เป็นตอนที่ห้าลองดูนะครับเราถึงอายัดที่7จอ วันนี้อายัที่เจิสองครับสรตุลฟุร์กอนอายัที่เจ1687บสองหนึ่งหแปดเจ็ดหน้าที่หนึ่งหสตปดเจ็ด أ س ت غ ف ر ا ل ل กันก่อนนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الش الر والذين لا يشهدون الزور. وإذا مرّوا َُ وا باللغو مرّوا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخرّوا عليها لم يخروا عليها صموم وعُميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذر อย่าต mm ินากร و ะ ج าอยู่วَาจะแก้แล้วจ สาม ayat ก่ ay al I I ja um ับอินชาอัลลอฮ์ ا ل ح ล د لله นะครับอบ عباد ا ل ر มานบุคคลิกลักษณะของบ่าวที่ได้รับเกียรติจากล l l า h سبحانه และ تعالى เพราะ Allah سبحانه และ ت ع ا ل เอาชื่ออัลรหมานซึ่งเป็นชื่อที่มีเกียรติมากเป็นชื่อที่พระองค์รักมากชื่อหนึ่งเอามา นิสบะหรือเอามาอิดาฟะเอามาพาัดพิงกับบ่าวที่มีคุณลักษณะต่างๆที่พระองค์พูดถึงนะครับในตอนท้ายของสุรจุลฟุรข้อนนี่คือกลุ่มอายะที่พูดถึงอิบราฮิมมันมีไม่เยอะนะครับจริงๆแล้วถ้าเรานับเนี่ยมันมีอยู่กี่กี่อยานะ่างอ่ะที่เราเรียนมาทั้งหมดแล้วมีกี่อย่าง ال ذ ي ن إذا خاطب وإذا ل ي ن ا يمشون على الأرض ح و ن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وال ذ ي ن يبيتون للرب مسجدا وقياما عن ساميان وال ذ ي ن يقولون رب نصرف ع ن ا س ي ا وال ذ ي ن إذا أنفقوا ها وال ذ ي ن لا يدعون مع الله ا ل ه آخر هو ل ا يطرون النفس เ ولا يجنون แปดอย่างละที่ผ่านมา วันนี่้อันทว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าอ่าว่าว่าว่าว่าว่า่าว่าว่า่าวาว่าว่่่ บรรดาคนที่ละยาชาดูนูไม่เป็นสักขีพยานกับการเป็นพยานเท็จเดี๋ยวเอาตัวกริยาก่อนและยาชาดูนเนี่ยในภาษาอาหรับก่อนนะบรรดาคนที่ไม่เป็นพยานเท็จเนี่ยภาษาไทยเขาแปลเป็นพยานเท็จอย่างเดียวจริงๆแล้วคาว่ายาชาดูนเนี่ยรากศัพท์ของมันเนี่ย มันมาจากคำสองคำซึ่งความหมายมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งอาจจะมีส่วนร่วมที่คล้ายกันแต่มันแตกต่างกันนิดหนึ่งความหมายที่หนึ่งก็คืออัชฮะดะและยาชาดูนอาซูรหมายถึงและยาชาดูนอัชฮะดะตาซูรไม่เป็นพยานเท็จเหมือนกับที่แปลในภาษาไทยหรือมาจากคำว่า อัลชูฮ uh ูดไม่ยชพดูนตรงนี้นี่หมายถึงอัลชูฮ uh ูดอัชูดหมายถึงภาษาไทยแปลว่าไม่เข้าร่วมไม่ได้ไปเป็นพยานไม่ได้ไปเป็นพยานเท็จแต่สิ่งที่เป็นความเท็จสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ แค่เป็นพยายนอย่างเดียวก็คือแม้กระทั่งการไปเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ไม่คือไม่เกี่ยวข้องเลยไม่ใช่ว่าเข้าไปอยู่ในวงด้วยแต่ไม่ได้เป็นพยายนให้ไม่ใช่นะก็คือไม่เกี่ยวข้องตั้งแต่แรกเลยอันนี้คือความหมายความหมายค่อนข้างที่จะลึกกว่าความหมายแรกและยาชาดูนซูรหมายถึงไม่ได้เป็นพยายนหรือไม่ได้เข้าร่วมเลยไม่ได้ไปไม่ได้ไป เกี่ยวข้องทั้งสิ้นใดๆทั้งสิ้นเลยในขณะที่คำว่า a z ูรอั z u ูรเองเนี่ยบรรดานักตักซีร์เองก็ให้ทัศนที่มากกว่าดึงคำว่าั z u ูรตรงนี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะความหมายโดยตรงของมันก็คือความเท็จเป็นพยานเท็จพูดเท็จอะไรอีก เกี่ยวข้องกับความการโกหกมีในหะดิษนะครับหะดิษที่ท่านนบีพูดถึงเวลาที่เราถือศีลอดอะไรนะมันล่มยะดะกูัลซบร์ و ا ل ع م ل ب ล ف ل ي س ل ل ل ه ح ันอั ن ยะ د ع ط ع ا م ه و ราบ ب ه و ใครก็ตามที่ไม่ละทิ้งการพูดโกหกการพูดเท็จ แล้วก็ยังปฏิบัติยังพูดโกหกยังพูดไม่ไม่ถูกต้องอยู่อะไรแต่และก็ไม่มีความจําเป็นที่จะให้เขาทิ้งอาหารและงดอาหารและก็งดน้ําหมายถึงเวลาที่เราถือศีลอดเนี่ยเราถือศีลอดเราไม่พู ด, เ ร, พดเราไม่กินเราไม่ดื่มแต่ปากของเรายัางไปทําบาปอยู่มีประโยชน์อะไรอันนี้คือความหมายของ Hadith นี้เพราะฉะนั้นเราลซูร์ شهاد ะทัซูร ความหมายโดยโดยตามรากักท์ของมันก็คืออัลบาตหรืออัลกัซิบความเท็จนั่นเองนะครับในขณะที่ในขณะที่บางคนอธิบายขยายความเข้าไปอีกว่าความเท็จตรงนี้จริงๆแล้วอักซรุลมุฟัสซิรีนเป็นคำพูดของอัลวาฮิดนะีอา่านบอกว่าอักซรุลมุฟัซซิริน นักท afsir ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าอ z u r huna huwa shirku คำว่า azur ตรงนี้นี่หมายถึงชิริกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตาม <c oughs> มันไม่ได้มีความหมายเฉพาะชิริกนะหมายถึง a l m าซ s i kullah หมายถึงมัศเสียทั้งหมดสิ่งที่เป็นความเท็จทั้งหมด ถ้าเราจะแบ่งเราจะเรียบเรียงความหมายใหม่ของนักตับเตรอที่พูดถึงอายัตนี้ก็คืออันแรกเลยอัชเชฮัดะทูลคาซีบะละยชฮัดูนซซรก็คือไม่เป็นพยานเทจและความหมายที่สองหมายถึงละยฮดูร ah al ูนัมแจลิซัลคาดบวะลบาติลไม่ใช่แค่ไม่เป็นพยานเท่านั้นแต่ไม่เข้าร่วงตั้งแต่แรก ระวังให้ดีนะครับการเป็นพยานเท็จอันนี้หนักมากแม้กระทั่งเนี่ความยุติธรรมเนี่ยเราจะต้องยุติธรรมแม้กระทั่งกับตัวเราเองคุนุลิลลาฮิชูฮัดะอับดุลกิสต์ والو อัลอาลัยอันฟุซิคุมอวิลวาลิดายนี وال อัครับีละต้าลาบะกวะเวลาที่เป็นพยานเนี่ยต้องเป็นพยานด้วยความยุติธรรมแม้กระทั่งกับตัวเอง เป็นพยานกับตัวเองอย่าเข้าข้างตัวเองอะไรที่มันผิดถ้าตัวเองทำผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดส่วนใหญ่แล้วเวลาที่มีความจำเป็นจะต้องเป็นพยานนะคนส่วนใหญ่อาจจะโดนฮาวานัฟซูอาจจะโดนชัยตอนมาล่อลวงไม่ให้มีความยุติธรรมอันนี้ต้องระวังให้ดีเพราะบางทีมันไม่เข้า ไ, ไม่เข้าใครออกใคร นะพอเป็นเรื่องของตัวเองแล้วเนี่ยเริ่มจะมีทางหนีทีไล่พอเรื่องของคนอื่นนี่เอาความยุติธรรมเข้าไว้แต่พอเรื่องของตัวเองเป็นยังไงอัสามุุลลอฮฺวะอาตุลิลในสังคมเราก็ประมาณนี้แหละวลลอัาลฺมุลลอฮฺะครับเพราะฉะนั้นอย่าเป็นเหมือนกับคนส่วนใหญ่ในสังคมถามว่าเป็นเรื่องยากหรือว่าเป็นเรื่องง่ายถ้าดูสภาพสังคมของเราทุกวันนี้ ความเท็จกลายเป็นเรื่องปกติใครที่พูดเก่งใครที่มีทนายเก่งใครที่มีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะต้องถามทนายใครที่เขียนสํา น, นวนเก่งบางทีเอาชนะไดท้ทั้งที่เป็นเป็นคนผิดอ่ะอันเนี้ยน่ากลัวมากเลยแล้วเรามีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเราชนะในศาลแลแ้วไปวางให้ดีนะคุณชนะในศาล ในโลกดุ น, ยนีย์นี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะไปชนะต่อหน้าศาลของใครของอัลลอฮฺแต่ละระวังให้ดีไอ้ที่เราชนะในศาลในโลกดุนีย์นี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะความเก่งของเราอาจจะเป็นความเพราะความจะบอกว่าความอะไรนะความความริยาของเราความอะไรความริยาที่ความอะไรแปลว่าอะไรรียความอะไรอ่ะ ความปลิ้งปลอนของเราใช่ไหมก็เลยเอาชนะเขาได้ชนะคดีความได้อะไรนะอะไรนะครับโดนบังคับยังไงอย่าไปเป็นไม่ได้อันตรายมากนะครับอรยาตวินละเฮมิงเวย์สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือว่าสังคมเราทุกวันนี้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องป ก, ปกติเฮ้ยใครๆเขาก็ทำใครๆก็ถ้าเราจะไปเช็คนจริงๆเนี่ยมันมีเยอะมากไม่ใช่เฉพาะในศาลนะแม้กระทั่งพวกใบรงใบเสร็จอะไรเนี่ยบางทีก็นะไม่รู้จะพูดยังไงมันจะมีระบบที่แบบว่าเอาเซ็นเซ็นแบบเซ็นแบบตัวเลขเยอะๆแต่เวลาเอาเอาเท่าไหร่เวลาไปเบิกเบเบิกเต็มแต่เวลาใช้ใช้ไม่เต็ม น่าจะเข้าข่ายละฮะอัลลอฮฺละกว่าแลาเบลลาใชไมพอเราพูดแล้วมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากบางทีเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะ่ะคนที่เป็นผู้รับเหมาเนี่ยมักจะโดนใช่ั้ยอ่าถ้าอยากจะถ้าอยากจะเอาตรงนี้อ่าต้องต้องเส้นตรงนั้นต้องเส้นตรงนี้เดี๋ยวนี้เป็นครูจะสมัครเข้าไปทำงานจะต้องต้องต้องมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ตรงไปตรงมา Ani ke syahada terzuhur, kita ham yang gaya di, peneng ni cuma nalar mak kiamat syahada terzuhurnya, banyak, lah. La halalala kuat jalla bilah. Walaian, ada kata yang berkata Syirik ni, mengapa ada di ayat ini? Dua, kerana dia kata, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. i d a a d e r a d a a k ada y a t a p a d a l a k ada y a a r i a d a a l k a l a l a k ada b a r a d a a l y i r i i b i l l a h t a y a i h t a r t e t d a h i t i n a y a n e k a a การตั้งภาคีต่ออสสุภาของเราแล้วอันนี้เป็นความเท็จที่ใหญ่หลวงละไอ้ที่ความเท็จอย่างอื่นนั้นเป็นเรื่องรองลงมาเพราะฉะนั้นชีริกก็เลยอยู่ในอายัดนี้ด้วยตามความเห็นของอัลจัดจัชความหมายของมันเนี่ยอันที่หนึ่งลาอูซาอิดูนะอัลบาติลอาลาบาติลิฮ์มไม่ให้ความช่วยเหลือกับคนที่นะครับอยู่กับพวกบาติลความไม่ถูกต้องอย่าเป็นคนที่สนับสนุนความไม่ถูกต้อง เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องใหญ่โ <indirectly. S 1> ดนกันหมดบางคนอาจจะโดนแค่เหมือนฝนสาดๆนิดหน่อยบางคนนี่คืออาบเลยอาบความเท็จเลยอัลลอฮฺอาลัยเบลลาลาฮาวลาลาอัลลอฮฺัลลอฮฺเบลลาในขณะที่บางคนก็บอกว่าในขณะที่บางคนก็บอกว่าในขณะที้มีนักทับเสียที่อธิบายว่าไม่อยู่ ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องไร้สาระและเสียงเพลงอ๋ออักบัตมีเรื่องที่เราเป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งบางทีเราไปกินอาหารในร้านร้านมุสลิมใช่ไหมอาหารดีหมดทุกอย่างดีหมดแต่เปิดเสียงเพลงคลอเบาๆอ๋ออักบัตหนียากเหมือนกันเนาะจะไปบอกเขาเ <c oughs> นี่ยคือผมอย่างที่ผมบอกไงบางคนก็โดนแบบ สัศาดตรโดนเหมือนฝนศาสตร์กระซินกระซเข้ามาโดนแต่บางคนคือตั้งใจเข้าไปก็คือตั้งใจเข้าไปฟังเสียงเหล่านั้นเลยนี่ไม่ใช่คุณลักษณะของอิบราฮิมาไม่เข้าไปมีส่วนร่วมอ่และอยะาดูรูนามายัสดุกอัลัยฮิมะนัซูไม่ร่วมกับทุกประการทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความเท็จทั้งหมดทั้งปวงนี่คืออันที่หนึ่ง และเมื่อพวกเขาผ่านอันนี้ไม่ใช่เข้าร่วมนะแค่ผ่านทางผ่านทางแล้วได้ยินเสียงที่มันไม่มีประโยชน์ละกูนี่หมายถึงอะไรข้อความที่ไม่มีระโยชน์และไม่มีประโยชน์ทั้งทางศาสนาและทางโลกที่พูดไร้สาระ เป็นคําพูดของอัาดิคําพูดที่ไม่มีประโยชน์แค่ผ่านนะแต่คําพูดที่เราได้ยินเนี่ยเป็นคําพูดที่ไม่มีประโยชน์ประโยชน์ดุน ي ة ก็ไม่มีประโยชน์ทางาศาสนาก็ไม่มีนะมารูกิร่ามาพวกเขาก็ผ่านเลยไปด้วยความเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีเกียรติก็คือไม่เข้าไปกลัวกกเกลืออยู่เนะกลือกลัวกลัวเนะกลือลนะเกลือ ก, ๆๆกลัวอยู่กับ อยู่กับความไร้สาระพวกนั้นนี่คือคนที่เป็นอิบาดฮิมรักษาเกียรติของตัวเองไม่เอาไม่เอาความดีงามของตัวเองสถานะของตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นสถานที่อบายามุขอย่าวา่าจะเข้าไปอยู่เลยแม้กระทั่งผ่านเนี่ยก็ยังรีบผ่านไปเร็วๆไม่ข้องแวะไม่เลี้ยวมองไม่ใดๆทั้งสิ้น Ini adalah orang yang beribadat dengan hati yang tajam. لا إله إلا الله, Allah akbar. Kita akan berdoa bersama. ว่าร้ออัน الخوض فيه وإن كان لا إثم فيه فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة บางทีนะมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นของที่มีบาปอย่างเดียวนะอัลลอฮฺอวยตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคำพูดที่เป็นเป็นบาปนะเป็นคำพูดที่ไร้ประโยชนอ์อะไร้ประโยชน์บางทีก็ไม่ได้บาปแต่คนที่เป็นอบาดุรมานเนี่ยคือไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งเลย ในเมื่อมันไม่มีประโยชน์แล้วจะเข้าไปยุ่งทำไมพ้นไปเนี่ยถึงขนาดนั้นแล้วไม่ใช่ตั้งใจเข้าไปนะแค่ผ่านาเดียวนะไอ้ที่ตั้งใจจะไปนี่ไม่มีแน่นอนนะลองคิดดูว่ามีอะไรบ้างทุกวันนี้ไอ้ที่มันเป็นละหูแล้วเราก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเยอะเหลือเกินผมว่ามันอาจจะกียาสได้ กับพวกสื่อบังสื่อได้ไหมอ่ะ u t u b e ก็ดีไลฟ์ Life ก็ดีบางทีเราเราก็ชอบดูนะไอ้ที่มันดรามา่าดรามา่าทั้งหลายถามว่ามีประโยชน์อะไรแต่บางทีเราก็ชอบชมชอบดูอ่ะะเพื่อวความบันเทิงมันเข้าข่ายายันนี้หรือเปล่าอะเราไปยุ่งทำไมกับไอ้พวกดรามองดราม่าในโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้ บางทีมันก็อาจจะมีบ้างนะที่เกี่ยวข้องกับอายัดเจ้าละกาละพูดถึงว่าอีซามารูบิลลาวิมารูกิรอมาบางทีไม่ได้ตั้งใจหรอกเปิดเฟสนี่แหละเปิดเฟสปกตินี่แหละแต่มันโผล่ขึ้นมาในในฟีดของเราใช่ไหม เ, เราก็ใช้นี่แหละมารูกิรอมะ เ, เชิญไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปกดแล้ว <c oughs> ไปกดแชร่อยไปไปเปิดสิ่งที่มันมีสาระดีกว่า ไม่งไาบอกแล้วว่าเป็นอิบาดุร Rahman ไม่ง่ายแต่เป็นได้ไหมเป็นได้นะต้องฝึกฝนต้องเอาชนะใจตัวเองให้ดีเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในชีวิตของเรานะที่อับดลลาห์พูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทั้งสิน้นนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แรกมาคนลลักษณะประการแรกจนถึงคนลลักษณะที่เรากําลังพูดถึงอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงในชีวิตของเรา แล้วมันแ ล, แล้วเราก็เห็นชัดว่าแต่ละคุณลักษณะที่อัลลอฮฺซลาหพูดถึงอิบาดุลรักมานเป็นคุณลักษณะที่ดีทั้งนั้นเพียงแต่ว่าทำยากเหลือเกินแต่ละข้อที่ทำยากเหลือเกินเดินอย่างสงบงเสงียมไม่ชอบทะเลาะกับคนอื่นใช้กลางคืนให้มีคุณภาพในการอิบาดาต่ออัลลอฮฺซักลอห์ทำยากเหลือเกินในยุคสมัยนี้นั่นแหละไม่ง่ายนะ จะเป็นอิบาดุรฮ์มานี้ไม่ง่ายแต่เป็นได้ไหมเป็นได้ต้องสู้ต้องสู้นะครับต้องฝึกฝนตัวเองให้มากให้รู้แล้วก็ให้เข้าใจและฝึกฝนทุกวันนะครับเพื่อที่จะได้ถึงนะครับในขั้นของการเป็นอิบาดุรห์มานตามที่อัลลอฮฺสุบฮกี่ะตาลาฮิยอัลลอฮฺอัลกรอ่าอันตะไป والذي إذا ذ ك า و ا ب آ ي บบิฮิม “لم يخروا عليها صمّا وعميانا” ข้อดนี ini, <c oughs> ้เกี่ยวข้องกับการตักเตือนอ่าอัลลอฮนะครับมันเกี่ยวข้องทุกอย่างเลยนะการเป็นอิบราฮิมานลลลักษณะของคนที่เป็นอิบาดิมอัลลไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของเขากับอัลลอฮฺ س ب ح ا ะ ความสัมพันธ์ของเขากับตัวเองความสัมพันธ์ของเขากับมนุษย์กับคนอื่นๆในสังคมและแม้กระทั่งการรับฟังนาสเสฮัดมุสลิมเนี่ยหรือผู้ศรัทธานเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมีหดิ i s บทดังที่ท่าน น, นบีบอกว่าอัลมุมินมิรอาตุลมุมินมุมินเป็นกระจกให้กับมุมินด้วยกัน อายัดนี้กำลังพูดถึงประเด็นนี้ประเด็นที่ว่าเวลาที่มีคนอื่นมาตักเตือนเราอิบราฮิมนนจะรับการตักเตือนอยังไงว่าอิเดลุกกิรูบิอายาิรับบิฮิเมื่อพวกเขาได้รับการตักเตือนด้วยคำพูดหรือด้วยอายัดของอัลลอ์ سبحانه และ تعالى ดยอัลกุรอานเวลาที่มีคนมา ให้โอวาต ส, สังเสียเราเอาอัลกุรอานมาแนะนตเราเอาฮัดิสของท่านนบีมาพูดกับเราเป็นยังไงลลมยาครูอัลยซุมมาวะอุมยานบันดาคนที่เป็นอิบาดุลราห์มานี่จะไม่ตอบสนองด้วยอาการเหมือนกับคนที่ทำหูหนวกตาบอดบางทีเราก็มีมีไหม คนที่เวลาโดนเตือนแล้วทำเป็นหูหนวกตาบอดเนี่ยเป็นคนแบบไห น, นเป็นคนที่ตะ ก, กับบ่วเป็นคนที่หยิ่ ง, งยโสเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าไม่มีใครนาเสฮัดเขาได้น่ากลัวมากอันนี้เป็นสิ่งที่เราคือถ้าพูดกับคนธรรมดาทั่วๆไปชาวบ้านทั่วๆไปอาจจะอาจจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยมีมั้งหรืออาจจะมีด้วย แต่ที่น่ากลัวก็คือคนที่คิดว่าตัวเองเรียนเยอะเรียนสูงมีปริญญาสองสามใบมีตำแหน่งใหญ่โตอ่าเวลามีใครไปเตือนหน่อยนึงเอ้ยเป็นใครจะมาเตือนฉัน <laughs> อันนี้น่ากลัวมากละขาวลาวลาขอใจละเบลละในความรู้สึกนะบางที คนที่อยู่ระดับนั้นเนี่ยใครจะเป็นคนเตือนเขาเอา้าวอย่างผมมีใครจะมาเตือนผมบ้างใครกล้าเตือนไหมอยากจะมีคนเตือนเหมือนกันเนาะบางทีเราก็อยากจะมีคนที่แบบว่าเออมาแนะน์เราหน่อยทำไมไม่ไม่มีคนที่อยากจะเตือนคนที่เป็นบาปอคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยอะเขาจะใครไปเตือนคนระดับอาจารย์คนระดับ โต๊ะครูคนระดับนี้มีใครที่จะเตือนคือถ้าเตือนชาวบ้านเนี่ยโต๊ะครูเตือนชาวบ้านทุกวันใช่ไหมครับบาบอเตือนลูกศิษย์อุ s t า d เตือนลูกศิษย์ถามว่าตัวอุ stad เองตัวบาบอเองตัวโต๊ะครูเองเนี่ยใครเป็นคนเตือนภาพนี้เนี่ยผมว่าน่ากลัวมากน่ากลัวว่าจะเกิดกับตัวเองที่แหละเวลาเวลาคนอื่นมาเตือนเวลาคนอื่นมาบอกแล้ว ทำเป็นหูหนวกตาบอดไม่สนใจล้วมีครูอะเลยฮาซุลมันวะอุมยานะคนที่เป็นอิบาดุลราะห์มเนี่ยต้องนอบนอบคือไม่จำเป็นว่าคนที่มาเตือนจะต้องมีความรู้ระดับเดียวกับเขาหรือสูงกว่าเขาไม่จาเป็นแต่ที่จำเป็นก็คือว่าคนที่มาเตือนเขาเอาอะไรมาเตือนถ้าคำเตือนของเขาเนี่ยเป็นคำเตือนที่ถูกต้องมันมีเหตุผลอะไรที่เราจะ บอกปัดปฏิเสธและไม่ยอมฟังใช่ไหมครับน่าสนใจมากเนี่ยอยากจะทำแคมเปญสักนิดหนึ่งเตือนฉันหน่อยได้ไหมอยากจะให้มีคนเป็นการตักเตือนซึ่งกันและกันต้องต้องสอนนะจริงๆแล้วการการเตือนกัน ร, ระหว่างมุกมินด้วยกันเนี่ยต้องพยายามทำให้มันเป็นนิสัยปกติเราอย่าคิดว่าคนที่มาเตือนเราเนี่ยกาลังจะ กดทับเราดูหมิ่นเราไม่ใช่บางคนเข้าใจผิดอ่ะเวลาที่มีใครมาเตือนแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันกำลังดูถูกเราไหมกำลังกำลังดูแคลนเราไหมหรืออะไรยังไงต้องเปลี่ยนความคิดแบบนี้ทำยังไงให้มีความรู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันยังมีพี่น้องที่กำลังอะกลังเป็นห่วงฉันอยู่ล่าที่จะปักเตือนฉัน บางทีความยะโสของเราความโอหังของเราทิธิของเราทำให้คนอื่นไม่กล้าเตือนเขาไม่ได้ผิดที่ไม่เตือนเราแต่เราเองทำตัวสูงกว่าเขาจนกระทั่งเขาไม่กล้าบอกไม่กล้าเตือนเราไม่กล้าสกิดเราเวลาที่เราสมมตินะสมมติ เหมือนกับคนที่กําลังขับรถหรือคนที่กําลังเดินน่ะสมมติเราเอาขับรถไปกับรถมามันก็ต้องมีบ้างแหละบางช่วงบางจังหวะที่ไม่ทันหลับในมัง่งจะฝ่าไฟแดงมัง่งใช่ไหมถ้าเราติดนิสัยแบบขับรถไม่มีวินัยแบบนี้อ่าถ้ามีคนมาเตือนเราเล็กนึนงเราจะด่าเขาหรือว่าเราจะขอบคุณเขาเนี่ยภาพง่ายๆเลยต وتواسو ب ا ل ح ق و ت و ا س ิ بالصبر า นี่คือมุกมินที่แท้จริงต้องมีการตวาสีมีการนาําเส่งกันและกันทําอย่างไงให้มันเป็นวัฒนธรรมของเราอย่าให้การตักเตือนเป็นสิ่งที่อะไรเขาเรียกนะไม่ไม่รับไม่ได้อ่ะเวลามีใครมาเตือนแล้วเรารับไม่ได้แต่ต้องมีแต่ด้วยมีข้อแม้ด้วยการตักเตือนที่เราต้องการก็คือต้องเป็นการตักเตือนที่เป็นความบริสุทธิ์ใจจริงๆ ต้องมีความจริงใจและต้องใช้วิธีการที่ดีที่สุดต้องเป็นนัซีฮะนักซีฮะก็คือความบริสุทธิ์ใจในการตักเตือนไม่ใช่การประจานไม่ใช่การแฉนะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าการแฉกับการเตือนเนี่ยคนที่แฉเนี่ยเขาจะเอาแต่ด้านลบมาพูดอย่างเดียวเขาจะไม่พูดด้านดีของคนอีกคนหนึ่งอันนี้แสดงว่าไม่ใช่จะเตือนแล้วอันนี้ต้องการแฉแล้ว ใครก็ตามที่พูดถึงอีกคนนึ่งในด้านลบอย่างเดียวโดยที่ไม่พูดด้านดีของเขาเลยไม่ใช่เตือนแล้รแบบนี้อันนี้กำลังประนามกำลังประจานไม่ได้ไม่ใช่นะครับเตือนก็เตือนเฉพาะส่วนที่มันเป็นการความผิดของเขาและควรจะเตือนในที่ลับควรเตือนแบบอย่าต่อหน้าทานกำนันทานกำนัน ภาษาโบราณมากเลยใช่ไหมตอนหน้าสาธารณะอันนี้ไม่ใช่การตักเตือนไม่ใช่มรารยาทในการตักเตือนและใช้อะไรเนี่ยอย่างในอายันี้พูดชัดเจนซุกคิรูบิแอยะติรับบิเวลาที่เราจะเตือนใครพยายามใช้คำพูดที่ดีที่สุดในโลกนี้ไม่มีคำพูดที่ดีที่สุดมากไปกว่าคำพูดของอัลลอฮ์ سبحانه แล ะ, ะ ت ع า ل า เราคัดคําพูดที่ดีที่สุดอายัดอัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะเตือนเนี่ยที่ดีที่สุดไปเตือนเขาเพราะบางทีถ้าเราเอาคําพูดของเราเองดัดแปลงจากนะความคิดของเราเองบางทีเขาอาจจะไม่รับก็ได้เขาอาจจะมีข้ออ้างที่จะไม่ฟังก็แล้วนี่เป็นคําพูดของตัวเองไม่ใช่คําพูดของอะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เทคนิคด้วย เอาคำพูดของอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه และ ت ع ا ل าอีกคนหนึ่งจะได้อ้างไม่ได้แล้วว่าจะไม่ฟังหรืออะไรยังไงลุคกิโูบิอายะทิรอบบี้เห็นเอาอัลล์เอาคำพูดของอัลลอใ์ไปใช้ในการตักเตือนพี่น้องแล้วมันก็จะมีความหมายให้เขาเห็นถึงความจริงใจของเราที่จะเอาสิ่งดีๆเข้าไปในหัวใจของเขานี่เป็นมารยาทนะครับในการตักเตือนในการเป็นพี่น้องซึ่งกันและกัน มีคำพูดที่อธิบายที่น่าสนใจ e <at> เขาบอกว่าทาไมที่ท่านนาบีบอกว่ามุมินกับมุมินนี้นเป็นเหมือนกระจกเน้องครับคนที่เป็นพี่น้องกันจริงๆบนพื้นฐานของความศรัทธาเนี่ยเขาจึงเหมือนกระจกถามว่ากระจกเนี่ยเคยโกหกคนที่คนที่ส่องกระจกไหมสมมติ<_ s> <_ s> เราไปส่องกระจกเนี่ย เราหน้าตาขี้เหร่แต่ว่ากระจกทำให้เราดูดีขึ้นมีหมหรือเราหน้าตาดีแต่กระจกทำให้เราดูขี้เหร่มีไหมเป็นไปนไม่ได้ถ้าสมมุติมีตาหนิตรงไหนกระจกมันก็จะสะท้อนให้เราเห็นตามหนินั้นจริงๆนี่คือความจริงใจของของพี่น้องอะไรผิดอะไรถูกบอกตามตรงและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง น, นะคนที่อธิบายประเด็นนี้ก็บอกว่า กระจกเนี่ยมันจะสะท้อนเฉพาะตอนที่เราส่งพอเราเดินออกไปมันจะมีภาพติดอยู่ที่กระจกอีกไหมฮะไม่มีละมันจะลืมหมดละกระจกจะลืมหมดละมันจะไม่เอาไปฉายให้คนอื่นมาเห็นต่อนี่คือกระจกมุกมินก็เหมือนกันพี่น้องที่เป็นที่เป็นมุกมินด้วยกันเนี่ยเวลาที่เราเตือนเขา เราจะเห็นข้อตำหนิของพี่น้องของเราเฉพาะช่วงเวลาที่เราเตือนเขาเท่านั้นพอเราแยกกันแล้วเราจะลืมหมดแล้วเราจะไม่เก็บเอาไว้แล้วก็เอาไปบอกกับคนอื่นต่ออีกนี่คือมุกมินที่แท้จริงเข้าใจไหมครับกระจกเนี่ยมันจะบอกเราว่าเรามีตาหนิอะไรตรงไหนยังไงเฉพาะเวลาที่เราส่องอยู่ต่อนหน้ามันพอเราเดินออกไปกระจกมันจะไม่เก็บภาพนั้นเอาไว้แล้วมันจะไม่บันทึกภาพนั้นเอาไว้แล้ว คนอื่นจะไม่ได้เห็นอีกข้อตําหนิของเรามีแต่เขาคนเดียวที่เห็นนี่คือพี่น้องที่แท้จริงมุกมินก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้เวลาที่เราเห็นข้อตําหนิของพี่น้องของเราคนหนึ่งแล้วเราก็ไปเตือนเขาเราเตือนเขาเสร็จแล้วเนี่ยไม่เก็บแล้วนะตําหนิข้อนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปเจอคนอื่นเราก็ไปถ่ายทอดไปไปบอกว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่กระจกแล้วแบบนั้น เป็นกล้องถ่ายรูปแล้วอันนั้นไม่ใช่กระจกอันนั้นเป็นอะไรแล้วเป็นเครื่องบันทึกเสียงเป็นกล้องวิดีโอแล้วลาอฺอฺอฺลาอฺลาอฺลาอฺลาอฺลาอดลากเลาอเลาอฺลาอฺลาอฺลาอฺลาอฺลาอฺลาอฺลาอฺลาอฺกาอฺลัอนลาอฺลาอฺมาอฺกาอฺลาอฺลาอฺลาอฺลาอฺลาอฺลาอฺลาอนขาอฺลาอฺลาอฺลาอฺวาอฺลาอฺลาอจลาอฺลาอฺลาอฺลาวฺลามฺลาอฺลาอเขาเทลานั้นที่รู้ เลอเอเลห์เอเลอหนะครับซึ่งจริงๆถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยทุกวันนี้วัฒนธรรมการตักเตือนซึ่งกันและกันทำไมมันไม่เกิดผลเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้มารายาทแบบนี้มารายาทในการตักเตือนควรจะต้องเตือนแบบไหนควรจะต้องอะไรใช้อะไรในการเตือนเราไม่ได้ทำหนึ่งถึงตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้มารยาจะเป็นไรแี่บางรายอะไรอย่าง อมีอีกสมนาทีอ่า ด, ด, ดูดูอ้อกันแล้วกันอัลฮัมดุลิลลห์ลอิลฮอิลล l l a h คนที่เป็นอิบาดุลราะมานเนี่ยเขาจะตั้งใจฟังตั้งใจฟังเวลาที่มีอายัดอัลกุรอานถูกเอามาใช้สอนใช้ในการเตือนใจซึ่งกันและกันเนี่ยเขาก็จะตั้งใจฟังและบางทีบางทีเนี่ยขรรูสุจัดนันวบุคียอะอัลอลอฮฺ تعالى บอกว่า คนที่มีความศรัทธาที่แท้จริงเวลาที่ฟังอายะห์ของลอสบอสต์อะแหลาพวกเขาจะลงอะไรนะคอรู้นี่ยหมายถึงว่าลมตัวลงแท้ไรเดียภาษาไทยก็คือเหมือนกับว่าเรานั่งฟังเรายืนฟังอยู่พอเราฟังคำตักเตือนเสร็จเราเหมือนกับเอเขาจะเรียกว่าอะไรคือย่อตัวลงแล้วก็สุญูต่อลอสบอสต์อะแหละน้อมรับ คำตักเตือนด้วยความด้วยความเต็มใจและบางทีอาจจะมีความประทับใจซึ้งในใจถึงขั้นร้องไห้ออกมาเป็นน้ำตานะครับหัวใจที่รับคำตักเตือนที่บริสุทธิ์เนี่ยบางทีมันอาจจะมีผลถึงขนาดที่ว่าสร้างความประทับใจซึ้งใจถึงขั้นหลั่งน้ำตาได้สำหรับคนที่เป็นอิบา ร, ราฮิมอัลลอฮฺอย่างแท้จริง ا ل l a h u akbar. a l l a h u m m من عبادك المخلصين. آياتي تزبسي. والذين يقولون ربنا هب لنا من الزواجنا وضرياتنا قرة عين. وجعلنا للمتقين إماما. نبّدؤان. นั่นคือการอิบาดุลรอฮ์มัน ดุอาของอิบราฮิมนี่มีอยู่สองดุอาดุอาแรก و ا น ل ذ ي กูลูนร ن บ ب ن ا اصرف น ن ا ع ذ ا น جهنم إن عذابها كان غ า ا م ة إ ن ه า سات مستقر و م ق า م ا ดุอาให้พ้นจากนรกดุอาให้กับตัวเองให้พ้นจากการลงโทษในนรกของล่องสุภาเนาะาละดุอาที่สองเนี่ยเป็นดุอาที่เราเคยได้ยินบ่อยมาก ผมเรียกมันว่าดุอาประจำครอบครัวครอบครัวทุกคนจะต้องอ่านดุอานี้นะครับอาจจะต้องอธิบายยาวนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ให้รู้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายข้าบต่อไปในตอนจบของสุร์อัลฟุรคกานในที่เกี่ยวข้องกับอบาดอุนรามานที่เดียวเลยนะครับคนที่ขอดูอาว่าย่าอัลล์ได้โปรดประทาน ให้กับเราจากคุ่ครองของเราจากทายาทของเราลูกหลานของเรากุรอชะยุนความเย็นตาเย็นใจกุรอชะยุนและขอให้เรานั้นเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับบรรดาคนที่มีความยำเกรงอิชอัลลอฮ์เดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายอัยตนี้ดูอานีนะ้อย่างละเอียดในคาบต่อไป بإذن الله سبحانه وتعالى و ف قن الله إياكم لما يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى عالم السلام عليكم ورحمة الله وبركات